ผู้ใคร่ธรรมที่เคารพการบรรยายเมตตาภาวนาในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายและประเด็นที่จะนำมามากล่าวในครั้งนี้เป็นเมตตาที่จะกล่าวถึงในขั้นโลกุตละซึ่งพระพุทธเจ้าโดยตรงตรัสแบ่งชั้นเมตตาไว้ว่ามีสองชั้นคือเมตตาชั้นโลกีที่เรียกว่าโลกีเมตตาหรือเมตตาโลกี เมตตาโลภตละหรือโลกตละเมตตาเมตตาโลกตนะ้นเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์แล้วก็ถือว่าเป็นเมตตาที่จะมีพลังมากที่สุดทั้งโดยตรงแล้วก็เร็วสุดสำหรับประด็นสรุปเนี่ยผมยังไม่อาจที่จะทําเตกสารมาให้ได้นะก็เนยกว่าอาจจะทำในระหว่าง วันทำลังนี้แล้วก็มาฝากฝังไว้ทางนี้เกิดอใครสนใจอยากจะได้ก็มาขอให้เขาถ่ายให้ก็แล้วกันแล้วได้คัดสูตรในประเด็นที่ว่านี้มาสองสูตรนะครับสูตรแรกนั้นชื่อว่าเมตตาสูตรชื่อของระสูตรเนี่ยบางทีก็ซ้าๆกันเรียกว่าเมตตาสูตรบ้างเมตตาสูตรบ้างเมตตาภาวนาสูตรบ้างหรือปฐมเมตตาสูตร เมตตาสูตรที่หนึ่งทุกยะเมตตาสูตรเมตตาสูตรที่สองบ้างเนี่ยก็เป็นเรื่องของชื่อเท่านั้นสําหรับสูตรแรกจะ <c oughs> เป็นการกล่าวถึงเมตตาภาวนาภายนอกพระพุทธศาสนากับเมตตาภาวนาภายในพระพุทธศาสนาตรงนี้เราก็พอจะทราบไว้ในเรื่องต้นว่าเรื่องของการแผ่เมตตาหรือเมตตาจิตนั้นไม่ใช่เป็นของเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เราจะพบว่าศาสนาบางศาสนานั้นเน้นเมตตาเป็นหลักกานก็นึกกันแล้วกันนะครับว่าศาสนาบ้างได้บ้างที่เน้นเมตตาเป็นหลักถ้าเป็นในอินเดียก็ศสาสนาเกณฑ์ศาสนาเกณฑ์ที่คืออาหิมสาคือการไม่เบียดเบียนเป็นหลักถือว่ามีเมตตาอย่างเพือฤฤฤฤ่อนคนอุกฤษในทางการแสดงออกมากสําหรับพระพุทธศาสนาเรานั้น เราก็พบว่าคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าสามประการเนี่ยเราได้ยินว่าตรงประกอบด้วยพุทธคุณที่หนึ่งคือพระบริสุทธิคุณพุทธคุณที่สองคือพระปัญญาคุณแล้วก็พพุทธคุณที่สามก็คือพระกรุณาคุณกรุมาคุณนี่ก็คือเมตตานี่ยนะครับถือว่าอนุโลมหมายถึงเมตตาด้วยจะเรียกว่าเมตตาคุณก็ได้เหมือนกันก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเรา จนีว่าในอินเดียเนี่ยจากสวดนี้ก็ทําให้ยืนยันได้ว่าการแผนเน่เมตตาแต่เมตตาอย่างนั่งหลับตาและแผ่เนี่ยมียมาแล้วในหมู่ของพวกอัญญาเดรติภายนอกพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยก่อนที่ศาสนาพุทธเกิดเกิดและเมื่อศาสนาพุทธกําลังดําเนินไปอยู่พวกเดรติเขาแผนเน่เมตตาจนกระทั่งเกิดปัญหาขึ้นเมื่อ พวกเนรปิฏกับพระภิกษุงสงมาพบกันครับแล้วก็ได้ยกประเด็นเรื่องการแฝงเมตตาของพวกเขาซึ่งเป็นภายนอกกับของพวกพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรพระพุทธเจ้าจะได้ทรงให้คำตอบถึงความแตกต่างระหว่างเมตตาในพระพุทธศาสนากับเมตาภายนอกพระพุทธศาสนา ว่าอะไรเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญก็พูดไว้ก่อนว่าความแตกต่างนั้นไม่ให้เป็นความแตกต่างเบื้องต้นคือมตตาในเรื่องต้นเนี่ยก้อนจิ้งไม่ต้องสอนไม่ต้องรับถือศาสนาก็มีเมตตากันอยู่แล้วเขียนระหว่างพ่อแม่กับลูกระหว่างสิษกับอาจารย์หรือระหว่างบุคคลในสังคมพวกหนึ่งกับพวกหนึ่งคนหนึ่งกับคนหนึ่ง ก็มีเมตตากันอยู่ทางกายทางวาจาทางใจขั้นพอมาฝึก ส, สมาธิจิตในสมัยก่อนเขาก็มีการแต่เมตตาจนกระทั่นได้ขาดเมตตาเจโตยหมดนั้นพวกเลือดสีพวกนักบวชนอกศาสนาได้ทำมาได้ก่อนนานแล้วไม่ใช่เฉพาะเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นอันนี้อาจจะลเป็นข้อเหมือนนะ แล้วก็เมื่อได้เมตตาฌานแล้วพลที่เป็นผู้ดุสีก็ได้ไปเกิดในปรโมาโลกก็เกิดกรรมานานหลายรุ่นแล้วพอมาถึงพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็มีพวกอิกเจเรญเมตตาตั้งแต่ขั้นต้นจนมาทั่งถึงขั้นฌานแล้วก็ไปเกิดในปรโมโลกถึงเวลานี้ก็มีอยู่แต่จะมีเมตตาอีกระดับหนึ่งที่ถ้าไม่ได้ จากพระพุทธศาสนาไม่ได้ละไม่นำจากพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าจะเจริญเมตตาอย่างนี้ไม่ได้เมตตาอย่างนี้ถ้าใครจะเจริญได้เนี่ยเร่ยว่าเป็นเมตตาบริสุทธิ์นั้นจะมีประเด็นว่าเมตตาที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยทาอย่างไรบริสุทธิ์ร้อยเปอเซ็นตเลยะคระับจะอยู่ในประเด็นดี่เจะพูดกับมันนี้ดังนั้นสูตรแรกนะครับ จึงได้ประลบว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นิคมข้าวลงอีชาวโกริยะทำไมที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งของพวกโกริยะในโกริยะชนะบทเนี่ยชื่อว่าหาลิททาวาสันนะหาลิททาวาสันนะกล่วาวต่อไปว่าครั้งนั้นที่สุร่ายรูปด้วยกันเวลาเช้านึ่งแล้วคือบินธบัดและจีวรเข้าไปบินธบัด อย่างนิคมนั้นครั้งนั้นพิสุรานั้นมีความดำริว่าเวลานี้เราจะเที่ยวไปบินทบาทยังหาฤิธะวัสส น, นานิคมก่อนก็ยังช้านักถ้าะไรเราพึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาเดรธีปริพาชกเถิดอารามของพวกวิรธีพวกนี้ เป็นอารามของพวกนักพรตคือเดิมทีไม่มีหลายพวกนะบางทีท่านก็ไม่ได้แยกพวกไว้แต่พวกนี้เราถือว่าเป็นพวกนักพรตเพราะว่าเป็นพวกที่ทําภาวนาเป็นไม่ใช่เป็นนักคิดเหมือนอย่างพวกปริพาโชกบางเหล่าพวกหลัก็เข้าไปแล้วก็ปลาสายกันออกปลาสายเสร็จแล้วก็นั่งลงมาที่โคนดวงข้างหนึ่งพก็ในนาทีปริพาโชคก็ได้พูดกับที่คือเหล่านั้นว่า ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคโดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละมิวอนห้าอันเป็นอุ ป, ปกิเลสที่แปลว่าอิเลขึ้นขมองนะเป็นอุ ป, ปกิเลสของใจพรกาลังฟันยาสำหรับข้อความตรนี้ก็เป็นการ อ้างถึงคาสอนของพุทธเจ้าโดยเชิดเดลกีว่าตัวก็พอจะได้รู้แล้วว่าก็พุทธเจ้าเนีสอนอย่างนี้ว่าขอให้ละนิวรณิวรณนั น, น, นหมายถึงการละกิเลสของผู้ที่ทําสมาธิเป็นการควบคุมสิ่งเวลวร้ายออกไปจากการทํากรรมฐานให้ได้ก่อนอที่บางทีก็เปรียบว่าเวลาที่เราทําสมาธิเนี่ย หรือไม่จะเรียนปริยัติก็ตามผู้ถึงญาณปริยัติเขาก็บอกว่าจะฟังอะไรเนี่ต้องเปรี่ยนความเห็นวางคิดถิ่ความคิดซะก่อนและจะทําให้เราฟังอะไรได้อย่างคงไปคงมาเป็นกลางในเวลาที่เราทําสมาธิเนี่ยถ้าหากว่าเรายังไม่ทําระจิตให้สะอาดจากกีเลย์รบกวนซะก่อนแล้วการทําสมาธินั้นก็จะเกิดผลไม่ได้ต้องอาบน้ําจิตซะก่อนแล้วจึงตกแต่ง ได้ทำมาต่อไปภายหลังได้ท่านถึงว่าไว้อย่างนี้เพราะว่าตัวนิวณ์นั้นเป็นตัวทำลายปัญญาทำให้จิตเข้ามองจเจริญในธรรมไม่ได้จากนั้นเมื่อละนิวณ์ได้แล้วก็จเจริญเมตตาแห่เมตตาไปทิศที่หนึ่งทิี่สองทิที่สามทิที่สี่เหมือนกันอันนี้หมายก็ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ก็เหมือนอย่างที่พวกเขาสอนกัน ก็พระเจ้าให้ภาษาวกําอย่างนี้ก็เหมือนอย่างพวกครูบาอาจารย์ของเขาสอนให้พวกอัญญาใดริีทั้งหลายทําอย่างนี้เหมือนกันคือแผ่ไปในคิดทั้งสี่เหมือนกันแล้วก็แผ่ไปในทิดไกยขวางเบื้องบนเบื้องล่างเหมือนกันและมีข้อความตอนหลังที่บอกว่าจนมีใจประกอบด้วยตาบุญเป็นมราคตหาประมาณนี้ได้ คำว่าไอบูนคำว่าหมหะรคตแล้วก็คำว่าหาประมาณไม่ได้ตรงนี้หมายถึงเมตตาที่แผ่จนเป็นฌานจนได้ฌานคือ ส, สมาธิเนี่ยฝึกดวยวิธีการแผ่เมตตาจนได้จนได้ฌานเพราะการแผ่เมตตานั้นไม่มีเวรไม่เบียวเปลี่ย น, ยนข้อนี้หมายถึงได้คุณสมบัติทางนิสัยของผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ก่อเวรด้วยการฆ่าด้วยการลักทรัพย์เป็นต้น ไม่เบียบเบียนผู้อื่นเป็นเป็นไวยพธของไม่มีเวรนั่นแหละก็ถึงแม้ว่าผู้ทําสมาธินั้นจะนั่งอยู่ที่นึ่งไม่มีสัตว์ปรากฏอยู่ต่อหน้าก็จริงแต่ในสํานึกในใจของผู้ทําสมาธิและแฝงเมตตาไปนี้นก็อนนึกถึงนสัต ร, ราวก็ว่าสัตว์นั้นอยู่ต่อหน้าและทําความรู้สึกลดกิเลสที่สั่สมมาคือความเบียดเบียนสัต การเกิดเตืนผู้อื่นเนี่ยและความรู้สึกนี่นก็ตื่กลับมาเป็นเรื่องของความปรารถนาดีจนถึงว่าเมื่อได้ทานเนี่ยคนคนนั้นจะไม่ทําร้ายใครเลยให้จําไว้อีกหนึ่งนะว่าคนได้ทานเมื่อทานยังไม่แตกจะไม่ทําร้ายใครเลยทีนี้ถ้าคนได้ทานได้ทานเขาเขินอารมณ์อื่นเนี่ยมันก็ไม่ทําร้ายโดยปริยายโดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ทําร้ายแต่ถ้าคนที่เจริญเมตตา จนกระทั่งได้ทานด้วยคู่นั้นจะไม่ทําร่างใครโดยปริยายด้วยแล้วก็มีผิดคิดเกื่อกูลต่อผู้อื่นคือมีความรู้สึกเตมันไปในทางบวกด้วยคือคนมีเมตตาเนี่ยจะมีความรู้สึกเตยมันในทางบวกในทางทิศน์นันที่จะแก้ไขทิศน์นันที่จะเกื้เหลือกื้อกูลแล้วก็แววมันก็จะออกมาในลักษณะของพฤติกรรมในทางบวก อันนี้มาในคำว่าไม่มีเวรและไม่เบียดเบีย น, ยนซึ่งมีความหมายในทางบวกก็แพร่ไปทั่วโลกในที่ทุกสถานอันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เกิดนะอยู่เกิดก็หมายความว่าเป็นคำที่พุทธเจ้าสอ น, นแม่แพรกรุณาแม่แพรมุติตาแม่แพรอุเบคาที่ตามเมตตามาเนี่ย ทังหมดเหล่านี้เดลตูนี้เขาก็บอกว่าแม้พวกเราก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้พราว่ามาเถิดผูมีอายุท่านจงรักวรนาเป็นต้นแล้วก็แ่เมตตาโลณะมุติตาอุเบกขาไปตามที่ต่างๆตามที่ต่างๆอยู่เถิดนี่สอนเหมือนกันคำว่าสอนเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่สอนเหมือนกัน แต่หมายความว่าพวกเนระถีที่เมื่อสอนกันแล้วเขาก็ทำได้เนระถีแพรเมตตาเป็นพระในพระพุทธศาสน า, ศ า, ศาก็แพรเมตตาเป็นด้วยอาการอย่างเดียวกันพรหมวิหารสีจริง เ, เป็นของเก่าเหมือนอย่างสีหะระดับสเเีเป็นของเก่าเป็นของเก่าหมายถึงเก่ายางเป็นนิติคนนอกาศาสนาได้ใช้มาแล้วและ การทำสมาธิ่ดยการเจริญปรมวิหารสี่ก็เป็นของเก่าอย่างคนนอกศาสนาทรมาแล้วแต่ว่าของเก่าบางอย่างนี่เป็นของเก่าเฉพาะคนที่เป็นชาวพุทธนะอย่างเช่นว่าการค้นพบปฏิจจสมุปบาทเป็นของเก่าเนี่ยนะพบอริยสัจสี่เป็นของเก่ า, นะกาถ้าเก่าอย่างนี้ที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ค้นพบนะคือพระพุทธเจ้าองค์งก่อนได้ค้นพบมาแล้ว นี่ก็คือเก่าเป็นของในเก่าของนอกมีสองอย่างเนตตาเป็นเก่าของนอกหรือจะพูดอีกทีก็คือเป็นเก่าของนอกด้วยของในด้วยสําหรับเมตตาแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาปฏิจจานี่เป็นเก่าภายในอย่างเดียวก็เกิดปัญหาถามครว่าอะไรเป็นความแปลกกัน อะไรเป็นประโยชน์อันยิ่งอะไรเป็นความต่างกันของพระสัพปนะโคดมหรือของพวกเราคือว่าธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรมเทศนาของพระสัพปนาโคดมหรืออนุสาสนีได้แก่คำทําสอนในเรื่องนี้ยของพวกเรากับอนุสาสนีของพระสัพปนาโคดมปัญาว่าต่างกันตรงไหนทีนี้มีพูดถึงความต่างเนี่ย เราก็อาจจะนึกถึงว่าเวลาที่เราพูดเพื่อความสมัครใจโปร่งดองหรือเพื่อรักษาน้างใจกันระหว่างคนศาสนาหนึ่งกับศาสนาหนึ่งหรือคำพูดขํานักปกครองที่ต้องปกครองคนหลายศาสนาก็าจะพูดว่าทุขศาสนาสอนให้เป็นคนดีนะนี่ก็ฟังดูดีไม่บอกว่าศ า, าสนาตายศาสนานี้สอนให้คนเป็นคนชดวศาสนาโน้นสอนให้คนเป็นคนดีไอ้พวกอย่างงี้ครบพูดแอบแอพูดเวลาพูดเพื่อผลอนักปกครองเท่านั้น ตรงคำว่านั้จริงเลยเขาบอกเขาจินโดยถึงมุ่งหมายเนี่ยของศาสดาทุกองเนี่ยไมุ่งจะสอนคนให้เป็นคนดีแต่ว่าในทางเนื้อหาเนี่ยเอาเขาจริงอาจจะต่างกันว่าต้องการให้คนเป็นคนดีคือทําอะไรก็ปรากฏว่าบางศาสนาก็อาจจะสอนให้ดีชายันบางศาสนาอาจจะสอนไม่ให้เบียดเบียนจากอย่างอุกฤษถือว่าเป็นความดี ก็เลยทํามานั่งเขีย น, นในทางปัญหาทางจริยศาสตว่าอะไรเป็นความดีกันแน่เยแต่ว่าเวลาพูดเพื่อรักษาธรรมใจก็ไม่ต้องไปไปแข่งใครถนขนาดนั้นที่นี้ปัญหาเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องปรมวิหารสี่ถึงเป็นธรรมะเรื่องรื่ก็มีการถามกันมาแล้วว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ากับของนอกศาสนาเนี่ยเหมือนกันหรือไม่เหมือนกั น, นกน็ก็มีการพูดในลักษณะที่บางทีจะแย่งชิง ธรรมะของพระพุทธศาสนาไปเลยแต่ที่พูดถึงสมัยก่อนนะจนกะทั่งพระพุทธเจ้ า, ษษาต้องสอบแบบหลักกว้างๆว่าบางอย่างพระพุทธเจ้าก็สอนตรงกับพวกนอกศาสนาในสมัยนะยั้นคือสอนเรื่องเดียวกันตรงกันบางเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติมาดีแสดงว่าดีแสดงว่าไม่ดีบัญญัติว่าไม่ดีแต่ว่าพวกนอกศาสนานั้นบัญญัติตรงข้า ว่าดีว่าไม่ดีไม่โกงกับพระบุตจายาก็มีบางเรื่องก็เป็นของเฉพาะในลุกศาสนาบางเรื่องก็เป็นของที่ร่วมกันงั้นถ้าอะไรเป็นของภายในไี่จะทรงบอกจัดแหละอันนี้เป็นของข้างไในของข้างไหนอันนี้เป็นของมีมาแล้วแต่โบราณแต่ถ้าเป็ดอกแค่ก็มีบอกอย่างนี้ก็เลยเกิดประเด็นที่ ส, <Baby> สางความสนใจขึ้นมาว่าอะไรเป็นของเฉพาะในพุทธศาสนาแต่ว่าในขั้นทานทานอะไรเป็นของเฉพาะในพุทศาสนารวมทั้งบุญญาหนึ่งก็ทั้งขั้นศีลเนี่ยก็มีศีลเฉพาะในพุทธศาสนาศีลบางอย่างเป็นของนอกศาสนามีสมาที่บางอย่างของในศาสนา outright, บางอย่างของนอกศาสนามี่พอมาถึงเรื่องวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาทั้งหมดเป็นของในพุทธศาสนาไม่เป็นของนอกศาสนาเลยอะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องวิปัสสนา น ก, ก็เป็นการแยกเรื่องเพื่อที่จะแสดงสิทธิที่เป็นของสูธศาสน า, า์คณเอาละอันนั้นก็ว่าประกอบให้ฟังพอโดยฤถษีตั้งปัญหาถามพระอย่างนี้ในสูตรนั่นไม่ได้บอกหรอกว่าเจตที่พระไม่ตอบคือบอกว่าที่คือเรานั้นไม่ทื่ชมคือไม่ไม่เห็นด้วย แล้วก็ไม่คัดค้านคือไม่ปฏิเสธคือไม่รับและไม่ปฏิเสธคําพูดของพวกอนุ ญ, ญาตในดีเหล่านั้นก็นลุกจากอาอสนะด้วยกตั้งใจว่าเราทั้งหลายจากทราบเนื้อความแห่งคําพูดนี้ในสํานักของพระพูทมีประกัรตัวนี้ควรรู้เรื่องนี้มาว่าที่พระท่านไม่คื่นชมแล้วไม่คัดค้านซึ่งก็หมายก็ว่าพฤติกรรมทางการพูดจา ไม่ได้มีการโต้แย้งตอบรับแล้วก็ในความรู้เกิดคคิดเนี่ยก็ อ, อาจจะไม่อาจจะตัดสินใจลงไปยังไงได้ว่าควรจะเข้าใจว่าอย่างไรก็คิดว่าเราควรจะไปเอาคําตอบที่แน่นอนจากกระผู้มีพระภาคกันแหะก็จึงออกไปบินาศเกิดก็กราบข้าววันหลังจากจังเกิจแล้วก็ได้ไปฟ้าพระผู้มีพรภาคเล่า ต้นสายลายเรถวายหมดทุกอย่างแล้วก็ตั you know ้งเป็นคําถามถามพระผู้มีพระภาคนางที่ได้ตั้งใจไว้แต่เดิมแล้วล่ะพระผู้มีภาคตรัสว่าดูก่อรวิสูทั้งหลายพวกอัญญะณิอัติปริพาโชคภูมีวาทะอย่างนี้ควรเป็นผู้อันเธอทั้งหลายพึงถามอย่างนี้ว่าดูก่อนทำทั้งหลายก็เมตตาเจโตมีมดอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นกติมีอะไรเป็นอย่างยิ่ง มีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดอทั้งสี่ใจความที่ถามว่าคัตดดิที่แปลว่าที่ไปก็ดีอย่างยิ่งก็ก็หมายถึงขั้นสูงสุดสุดท้ายหรือไปดานดินที่เป็นจุดจบของการเจริญเมตตานะไปถึงไหนผลก็เหมือนกันคือผลสุดท้ายผลเบ่งปลาย และก็ที่สุดของการทั้งหมดเหล่านี้ให้เข้าใจว่าเป็นไหวพจน์ไหวพจน์ใหมายความว่าเป็นคําพูดที่มีเนื้อความอย่างเดียวกันว่าท่านแผ่เมตตาเนี่ยเอาเหตุจะแผ่ดึงตนยังไงก็ตามวิธียัรไงก็ตที่สุดของการแผ่เมตตาของท่านนะแผ่แล้วพาท่านไปไหนทําให้ทําได้อะไรเป็นจุดสุดยอดเป็นที่หมายสุดยอดเป็นผลลบยอดถึงสุดตรงนี้แหละที่จะเป็นข้อแตกต่าง ค่ะเราพูดว่าแฝ่เมตตาแล้วก็่อให้เกิดความสมมามัคคี อ, อ่านี่เหมือนกันไม่ถือว่าถึงที่สุดแฝงเมตตาแล้ว เ, ออเป็นที่รักของเทวดาเป็นที่รักของมนุษย์ อ, อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ใช่ที่สุดแฝ่เมตตาแล้วไปโรมโลกไม่ถึงที่สุดหรือยังงนะี่นะเราก็บอกว่ายังไม่ถึงที่สุดด้วยการไปเกิดในโรมโลกหรือว่า อั น, นสองอย่างอื่นที่เรากล่าวมาเปรียบอย่างเนี่ยยังไม่ใช่ที่สุดอันเป็นที่หมายปลายทางของการแผ่เมตตาในพระพุทธศาสนากอ็อ่ตอตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นข้อคิดว่าไอเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยนะจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนจริงๆจุดหมายปลายทางที่ไหนเนี่ยวิธีสอบมันมีนเงี้ยสองเงี้ย น, นะ อันหนึ่งก็คือความมุ่งหมายที่เราต้องการอะไรเป็นที่สุดท้ายเนีอันหนึ่งนีทถ้เอาไอ้ความต้องการของเราออกมาเนี่ยเราก็สามารถทีจ่จะกาหนดที่สุดได้ตามใจชอบว่าเราต้องการอะไรแล้วรู้วิธีนั้นเพื่ออะไราก็ทำไปไปสู่ถึงไหมนะั้นแล้วก็จบแคนะ่นั้นคือที่สุดตามใจของเราตามปรารถนาของเราอีกอันหนึ่งคือที่สุดตามหลักการตามความที่เป็นไปได้ตามความที่ควรจะเป็น ไอ้ตรงนี้แหละครับที่ว่ามันคนจะค้นพบไม่พบกวตรงนี้จะแต่สางกับตรงนี้ไว้นะไอ้เมื่อเรามานั่งฟังธรรมะเนี่ยฟังไปทําไมตื่นตื่นตายไปปฏิบัติธรรมฐานปฏิบัติทํามันเรามานั่งเล่นเยอนกันเนี่ยเราก็จะได้จุดตั้งนของคนเพราะต้องการแค่นี้ก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ธรรมยิ่งขึ้นไปกว่านั้นไม่มีมีอะไรบ้างไปตามขึ้นขึ้นบางทีก็สมยัยก่อนท่านก็ต้องใช้วิธีการเรื่อนเอ เพราะว่าไอ้ผลบางอย่างเนี่ยพูดกับคนทันทีเลยเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกต้องค่อยๆเลื่อคคนค่อยๆเลื่อนเรื่อยๆไปเรื่อยเพราะถ้าพูดถึงที่สุดปั๊บว่าอิปานาพัทยโยโวโดเนี่ยร่างกายก็เดินแล้วก็ถ้าจะพูดตามก็สักแต่ว่าพูดตาแต่เอาก็ถึจริงได้ต้องการอย่างอื่นเป็น้องการตโกอย่างอื่นนะไม่ต้องการตโตที่ต่อจาก มานิบาล์เะเพราะนั้นตรงนี้นี่ยคืนพูดอย่างเช่นที่เ่าเอาหลักการมาพูดอะ่ะคล้ายๆจะบอกคุณรู้ว่าุณทำอย่างนี้คุณจะเอาอะไรทำจะเอาอะไรไปถึงไหนซึ่งเป็นการประกาศว่าโดยหลักการที่พระพุทธเจ้าแสดงและสอนให้คนไปเนี่ยอยู่เห น, นือชั้น เีทก็ขอให้ดูเมื่อความที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบดยลําดับว่าเนี่ยให้ลองถามเนี่ยต่อแม่เจ้าไปตัวแยงแว่าลองไปถามที่ว่ามีอะไรตรงนี่สุดต้องกา ร, รอะไรอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อธิบายแต่ว่าในนี้นะพระพุทธเจ้าก็ท่านก็อธิบายเกิดพนะระนะเกิดพระฟังแล้วจะไปอธิบายต่อไปหรือไม่พระเจ้ไม่ได้บันทึกไว ดูต่อไปว่าท่านวันไหนกล่าวว่าดูก่อนด้วเกลืทั้งหลายก็เมตตาเจโตวิมุตต์ก็เป็นมาเจโตวิมุตตมุพิตาเจโตวิมุตต์อุเบกขาเจโตวิ ม, มตุต ต, อต์อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นสติมีอะไรเป็นอนย่างอี่มีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุด คนส่วนใหญ่จะฟังแล้วก็โง่ก็มาทำอะไรกันแน่ตลา ด, ดวิบาก่อนที่สู่ทั้งหลายก็คือในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมปชมัญญอัน ร, รักขศดรือเมตตาจริญอเุเบกขาสัมปชมัญญอันอ ร, รักขศหรือเมตตาจะเรียวิเวกอาศัายวิราคะอาศัายมิโลท่าน้อมไปในการตลาดตลาดหมายถึงตลาดกิเดสคําพูดเหล่านี้องค์คุณเหล่านี้มีความหมายกว้างขวางเลยลึกซึ้งทั้งสิ้น อ, อ่อคือ ถ้าเธอหวังอยู่ว่าเราเพิ่มีความสําคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เธอก็ยังมีความสําคัญว่าปฏิกรูในสิ่งที่ไม่ปฏิกรูนั้นอยู่ถ้าเธอหวังอยู่ว่าเราเพิ่มีความสําคัญว่าไม่ปฏิกรูในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสําคัญว่าไม่ปฏิกรูในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราเพิมีความสาคัญว่าปฏิกรูในสิ่งไม่ปฏิกรู และสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิก <mind> ูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราครงมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความน้องคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ก็ฟังกันผมเคยที่เรื่องปฏิกูลจริงอะ อามณ์เสพไปโฟนกันเลยเกิดอ่าแล้วก็ยังต่อไปอีกนะโดยที่อธิบายลูกแล้วก็พอเข้าใจลูกันไปได้ถ้าหวังอยู่ว่าเราเป็แยกสิ่งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแล้ววางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมวางเฉยมีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่หรืออีกอย่างหนึ่งเธอย่อมเข้าถึงสุภาพวิโมกนะสุภาพวิโมกนี่แปลว่า ความหลุดท้นด้วยความสวยงามมีตัวตนชนะนะโดยความหมายต้องอธิบายอีกทีหนึ่งดูก่อนที่คือเท่าไหรเรากล่าวเมตตาเจโตวิมุกมีสุขวิโ ม, มกเป็นอย่างยิ่งเพราะภิกษุนั้นยังไม่แทงตลอดวิมุกอันเลีอยงยิ่งในธรรมวิไนปัญญาของเธอจึงเป็นโลกิ อยากในกตอนท้ายนี้ท่าผมย้อนกลับมาอธิบายว่าในเรื่องความตอนท้ายเนี่ยท่านกำลังจะบอกถึงความแตกต่างในส่วนเรื่องลายของคนแผ่เมตตาในพระพุทธศาสนาถามี่ยเวลาที่เราแผ่เมตตาเนี่ยแผ่เมตตาเพื่อเอ า, าอะไร แผ่เมตตาอย่างทั่วทัวไปนะคะเราก็มีความมุ่งหวังในทางแผ่เมตต า, าเพื่ออะไรอะไรหลายๆอย่างต่างกันแต่ว่ามันมีอันหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นผลลุง้งก็คือว่าผู้เจริญเมตตาอย่างนั่งสมาธิแท้ๆให้ได้สมาธิะทีนี้เมื่อได้สมาธิมาแล้วก็เคยได้ฌานแล้วถึงขั้นฌานเนี่ยนะฌานนั่นคือว่าเป็นฌานที่มีคุณสมบัติทางเมตตา ขอให้ท่านยืนความเข้าใจตรงนี้เน้นความเข้าใจตรงนี้ให้ยัดว่าคนที่ทําสมาธิจนได้ฌานด้วยการแผ่เมตตาสมาธิของผู้นั้นมีลักษณะพิเศษที่เมตตาจะมีพลังพิเศษทางเมตตาเหนือกว่าคนที่เขาได้สมาธิด้วยกรรมฐานอย่างอื่นทีนี้พูดว่าคนที่เขา จะเริยกนกรรมาฐานอย่างอื่นจะได้ฌานใ น, นรกรณีตัวอย่างให้เห็นเทียบเทียมอย่างนี้นะะเอ็นว่ารายหนึ่งจะเรียนมสุภาษจนได้ฌานคนที่จะเรียนมาสุภาษจนได้ฌานเนี่ยจะเป็นคนที่มีผลด้อยในทางสังคมอนุภาพทางสังคมน้อยแต่จะมีอนุภาพทางการควบคุมเรื่องสูง ที่ได้ฌานเพราะแข่เมตตาจะงมีอนุภาพทางสังคมสูงแต่ผมไม่บอกว่ามีอนุภาพทางตนเองน้อยไม่ใช่งั้นนะก็คนละด้านนะผู้ใดก็นคนละด้านแต่ผมอธิบายต่อไป น, นี้เึงว่าที่คนเจริญสุภาคกรรมฐานได้ฌานแล้วเนี่ยมีผลพลังทางสังคมน้อยควบคุมตัวเองสูงก็เพราะว่า คนที่จเจริญอสุภะแล้วจะไปเที่ยวยินดีตึกใจในอะไรอะไรจะน้อยมากความยินดีอะไรอะไรในโลกความยินดีแต่เป็นพระบวชแล้วจะสึกก็ยากไปเห็นเงินเนทองก็ตาในตัวจำการควบคุมตัวเอง เนื่องจากว่าท่านเหล่านี้ท่านจะเป็นคนไม่ค่อยจะคิดถึงคนคือมองคนแล้วเหมือนคนกับคนคนที่โกรธอะไีจะจะไม่ได้โกรกเลยนะใช่ทก่นน้ําโขลกใส่บานแล้วก็ไปให้พ้ <hum> นการแต่ถ้ขยากจะไปให้พ้นมองแล้วตกโกรกมา ก, ก็เลยทําให้เป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวนะ <hum> ไม่ค่อยจะใายใจอะไรเลยดีนะนั้นคนนี้ตัวเองดีรักษาตัวเองดีแต่ว่าผลทางคนโกรงน่อย แล้วก็เลยสเสน่ห์น้อย่ยสเสน่ห์น้อยหมายว่าพฤติกรรมก็ก็อยจะตอบรับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นที่เกิดชังอะไรหรอกนะ mm hmm. ทีนี้นพอมาถึงคนแบบไม่ตายจะเป็นคนเข้าใจใส่คนอื่นใช่ไหมฮะเห็นใครก็น่ารักเนี่ยเกิดความเยื่อยยยเกิดความครารุนห์อารุณกรเกิดกูรแล้วก็กา ร, กรแสดงออกก็จะไม่ค่อยหลีกมีคนนะทั้งบุคลิกทั้งโดยความตั้งใจแล้วก็ความสำเร็จที่ได้ แล้วก็ลงทั้งพลังที่ได้จะมีผลต่อตสังคมสูงเพราะฉะพลังที่ได้เนี้ไม่มาเที่ยวประกันที่จเจรนญนาฏปารากเนี่ยคนจเจริญนาฏปารจะได้พลังทางไหนหมายว่าการปลดปลอยการเห็นอันตรจังทุกขังหน้าตาจะเห็นได้ไง่ายมากท่านเพงบอกว่าสัญญาต่อไปนี้ทำสัญญาต่อไปนี้สัญญาหมายถึงความร้องคันหมายในในกรรมฐานต่อไปนี้ทําให้บุคคล น, นั้นจะเริยนในธรรมได้ไง่าย มันรู้ทำได้ง่ายเป็นเครืช่วยคือหนึ่งมรณสัญญาการพิจารณาความตายอาตภาสัญญาพิจารณากวาปฏิกูลอีกอย่างหนึ่งคือมิโรทาสัญญาความดับแล้วก็มิทิษาความเบื่อหนายสัญญาพวกนี้ จะมาช่วยเสริมอนิจจตาสัญญาเพราะะฉคนที่จเจริญ ม, มรณาเมต谛ก็เ ย, ย, ยอะไอย่างเงี้ยเดียวเลอธิบายให้เราเห็นนะเนี่ยะเจริญวิปัสนาขึ้นขึ้นง่ายอะไรงี้ยละกันเพราะามันคล้ใกล้กันเนี่ยเจริญความตายเนี่ยทําให้เราเห็นว่าเออชีวิตไม่เที่ยงและความรู้สึกสลดเนี่ยครับมันมันเข้าข่ายวิปัสนาถูกมากอ่าคนปฏิบัติ ตัวบาอาจารย์เขาถึงให้ข้อสังเกตแม่ไม่ได้อ่านพระไปิฎกเนี่ยเขาบอกว่าขนาดที่ปฏิบัติกรรมฐ า, านขึ้นเนี่ยสังเกตจังหวะว่าในขณะที่เราเกิดความสลดใจทํากรรมฐ า, านขึ้นหมากใจมันเบาสลดใจกพรความตายสลดใจเพราะอะไ ร, ระต่างมาทำกรรมฐานขึกเพราะฉะนั้นพระยุทธเจ้าถึงพยายามบากระตุ้นว่า ให้พิจารณาสังเวชธทําให้มากมเพื่อให้เกิดความสะเทนใจและจะทำกรรมฐานขึ้นมีปสัสสนาเนี่ยเาชอบอันนั้นมันจะปลดปล่อยความคิดความกังวลตัวนู่นตัวนีกวน่ก็ปล่อยแล้วนับหายไปก็เลยมีเลยดีตรงที่ทำตัวเองให้ดีไม่มีลักษณะแบบสังคมสิ่งท่าคนกรเริญมเมตตา เอาใจใส่สังคมเนี่ยมันก็เป็นภาวะเสียงเหมือนกันนะเพราะว่ายิ่งกว่าสังคมดีกว่าสังคมใช่ไหมได้ดีกว่าสังคมได้ชั่วกว่าสังคมเพราะป่าอยู่ในวัดเนี่ยคุยกับพระป่าแล้วเรารู้เลยเชื่อไหมนะครัผมใจกลางว่าพะป่าเนี่ยมันคือโว้ซุปโว้ซุนนะโว้ซุปโว้ซุไใครรู้ฮะกรโยงเนี่ยฟังแล้วเราก็เข้าใจแ่้ ท่นกลัวยิ่งกว่าว ก, ลกลัวที่จะระเบิดกลัวจริงๆถ้าทั้งโยมผู้หญิงแล้วโยมผู้ชายแล้วมันมีวิธีสิ่งน้ากลัวต่างกันแล้วท่านถึงควบคุมตนเองอย่างดีเลยว่ายิ่งท่านมีอะไรๆสูงๆแลนะ้วมันก็กลายเป็นว่าไอ้คนเข้ามามันก็พกดีพกโยกเข้ามาเใช่ไหมก็ทําให้เกิดภาวะเสี่ยงกับตัวตนเอง นั้นคถ้าร่านกษ์ใดยังคงเมตตาไว้เห็นแก่เมตตาท่านก็ยังยอมเถี่ยงเพื่อเห็นแก่เมตตาน่นแต่ว่าถ้าท่านไม่ไม่เห็นแก่เมตตาเหมือนยังคนไม่ได้ไม่มได้มีเมตตาเป็นเจ้เลื้อนนี้ท่านก็ถือว่าไม่ไม่ต้องการจะพบใครปิดวัดเก็บตัวอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> แต่บางทีท่านมีเมตตาที่ท่า น, น, านก็ยังยอมยอมเหน็ดยอมหนื่อยยอมเถี่ยง ม, ม, ม, ม, มาก ถ้าท่านจะมาทำให้ดีเนี่ยถึงต้องเลื่นขั้นด้วยวิธีการทำสมาธิแล้วก็เวลาแผอเมตตาเนี่ยนะะถึงต้องกรองไอ้ตรงนี้เราจะเป็นเรื่องของการที่เราจะควบคุม่ที่ผ ม, ผมคยอเกิดเกิดคราวที่แล้วว่าเวลาคนมีเมตตาเนี่ย เราเห็นบางบางคนไม่กล้าไม่ตาเลยเพราะเห็นโอ้โหเร่นคนมีเม่ตาเม่ตาจนแมว เ, เต็มบ้านนี่ตาจนหมาเต็มบ้านเลยที่เราเห็นขา่าวว่าเราดยินใช่ไหมละ่ะคนฝึกเพศบาลสัาาตา้องมาเผาบ้านอย่างอ่ะมีอยู่คนแม่ลูกคนตายเยอะกว่เยอะแล้วแก ก, กก็เลี้ยงตัดปลวกปลวกร้สึกหนูเหนูเต็มบ้านหมดเลยเป็นพันตัวเล่นกับแกยล่นกับลูกภาษาคนที่อเมริาากา อะไรผมลืมไปแล้วเหมืนใอ้ความเหมืนเนี่ยมันรับลำบากไปรอบบ้านใครมาว่าไงแกองไม่ฟังแกเงาในที่สุดเนี่ขาก็ไปแจ้งทางเทศาบาลมันเป็นกฎหมายใช่ไหมก็เลยมาูุยไม่แกก็ไม่ฟังไปสุดทางเทศาบาลต้องเผาทางบ้านและหนูในในเห็นไหมแต่ไม่เผาแกนะเผาบ้านและหนูหเขาก็ทําข่ามโอ้ แล้วเขาบอกอันนี้มันเป็นผลของเมตตาผลของเมตตาที่กรณีหนูที่อิ่มพุนคดี่ะหนูเขจะเลี้ยงหมาเอเป็น ร, นรนน้อยเลงหลายสิบตัวซึ่งกฎหมายเขาให้เลี้ยงได้เป็นเพื่อแค่สิบตัวแกก็เลีเ้ยงเขาโอ้โหเขากระปรกมากเรื่องเจ้าก็ที่หนึ่งแต่ว่าพูดไปแกรู้เรื่องหมดสื่อก็ไปแก้ในสื่อก็ต้อง ต้อจับต้องเข้ามาออกไปหเห็นอย่างนี้ก็คนแผลในตามมันเกิดโตทษ <c oughs> ถึงว่าเวลาแผ่ในตาต้องกรองอ้งเกตั้งเกตนากรองไวด้วยได้เอว่าเราแผ่ไปเนสมมติว่าคนร้ายเกตนาร้ายที่จะเข้ามาเราไม่ให้เข้ามาหรือมาแล้วเราคุมได้มาแล้วเราเปลี่ยนได้ อย่างเนี้นะหรือยกตัว อ, อย่างอย่างนี้ก็จะทําให้เราในควบคุมไอ้สิ่ร้ายที่มันจะแทรกเข้ามากับความที่กว่าเล่นกับหมามาเลียปากเมื่อมาเห็นเมตตาเราเป็นของที่จะมาละลาบลวงอารัดเอาเป น, เนี่ยเราก็ต้องควบคุมก็ด้วยพลังเมตตาเนี่ยแล้วก็จะด้วยการแสดงออกด้วยประการอย่างใดก็ได้ไม่งั้นก็จะเจอ็นประเภทที่เป็นหมาชอบเลียปาก ว่าวาเสียเลยเป็นหมาจอเปลี่ยปากเนี่ยคือพอเห็นหน้าเมตตานะ่ยเคยพยายับเข้ามาเข้ามาเนี่านั้เห็นว่าาของบ้านฉันนี่จะจะมาหยิบอะไรไปก็ได้ไม่ต้องมาบอกอมันก็คือเคยหยิบหยิบแล้วไม่เคนเลยทั้งอย่างนี้มาก็มีนก็ยู่ลายกระดานนี้่ก็คือมันก็หลวมไปนะก็เว้นว่าเราจะถูกเลาก็ได้ก็แล้วแต่ แล้วก็ต้องเลืกพิจารณาเอาในข้อนี้ดังนั้นคนที่แผ่เมตตาเนี่ยเมื่อจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเนี่ยมันมนีข้อดีตรงนี้ค่ะป่าคนแผ่เมตตาผู้นวัตมีตาเนี่ยมันการแก้ปัญหาบางอย่างได้อย่างที่ที่ว่าว่าอุปรสรรคบางอย่างเนี่ยเมต้างก็พามาเราก็ต้องส่านเอา แล้วก็ออุปสรรบางอย่างเนี่ยเมตตามราก็ช่วยกันช่วยกันโดยปริยายนะครับว่าคนแถลเมตตาทําให้คนคิดจะฆ่าไม่ฆ่านี่นะในเ ค, ครื่องคุ้มคองอย่างนี้นนมีเรื่องเมตตามีผลในทางภายัยภัยของคนแถลเมตตากับไม่แผลที่พูดถึงนี่มันมีสองมันนี่คือหนึ่งภัยที่เกิดจากความคิดปฏิเสธร้ายเมตตาจะแก้โดยกรงอนี้ แต่ใครที่ไม่ได้เกิดจากความคิดประทุสลายด้วยโทรศัเนี่ยประเภทเล่นกระหมามๆในปากนะไม่ใช่เล่นกรหมามๆกับปาก้มันเลียมันรักนะใช่ไหมล่ะแต่เราอยาให้มันเลียล่ะเราก็ไม่อยากให้มันเลียมันเลียพารักอ่ะแต่ไอ้คนไม่มีเมืตาหมาอุกัดนลมันไม่เลียมันก็เจ็บไม่เท่ากันเดืออนไม่เท่ากัน อันตรายเนี่ยมันก็ก็มีข้อได้เปรียบเปรียบตรงนี้เราก็ต้องต้องแกนต้องกันต้องแก่ยี่ง้าเราเอามาใช้เป็นเนี่ยเราก็ก็ใช้อย่างที่ว่าคนที่จะเดินดกรรมฐานต้องแผ่เมตตาเพื่อที่จะ ก, กาันภัยกันอันตรายที่มันมันเกิดในรูปของขยันตรายด้ยพิโตสัมแล้วก็มาทําการปฏิบัติธรรมในขั้นต่อไปทีนี้เมื่อเราได้สมาธิจากการแผ่เมตตา ถ้าจะทำขึ้นยิ่งขึ้นไปกว่านั้นที่จะเป็นของเฉพาะในกุทธศาสน า, ษ า, ษาก็คือว่าเอาเมตตาทานเป็นบาทต่อวิปัสสนานะาตรงนี้นะผมก็จะพูดนิดหนึ่งว่าเวลาคนทำสมาธิแล้วก็มาต่อวิปัสสนาเนี่ยถ้าโดยหลักร่วมก็จะเหมือนกันตรงที่ว่า ให้พวกในวานพวกกิเลสต่างๆเนี่ยมันถูกควบคุมฌานมันจะเป็นตัวควบคุมในระดับหนึ่งเราก็ไม่ไม่ต้องมานั่งง่ว ง, ไ ม, ง, มงไม่ต้องมานั่งอุดจักระกุดจักะไม่ต้องมานั่งพยาบาทไม่ต้องมานั่งการไม่กันทันี่นะในระหว่างนั้นฌานเขาก็ช่วยปกป้องกิเลสได้เหมือนกันทุกฌานถ้าคนไหนทำฌานที่เป็นเมตตาแล้วก็เข้าฌานต่อเมตตา ทานที่มีอารมณ์เมตตาเนี่ยเขาจะมีพลังพิเศษครับเห็นว่าการคุ้มครองตัวไม่ให้เกิดอันตรายนี่นะแล้วก็พลังพลังเย็นพลังเย็นเนี่ยเย็นแบบคนแบบเมตตาเนี่ยก็จะสูงพลังร้อนจะน้อยอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะพิเศษจุดหนึ่งที่ยกตัวอย่างให้ฟังก็ออกจากทานแล้วก็ต่อวิปัสสนาทีนี้มอต่อวิปัสสนาเนี่ยคุณ หรือองค์ประอกอบของความเป็นวิปัสนาเช่นโลกียสัมโพชฌงเจ็ดเกิดขึ้นตั้งแต่สติสัมโพชฌงมันก็จะค่อยเกิดนะเรืเ่องไม่เป็นลกตะละขณะคนทําวิปัสนาในโพชฌงเจ็ดมีอนินรีห้ามีปะละห้ามีเราก็เริ่มได้คุณสมบัติอย่างเป็นวิปัสนาที่จะไปเป็นองค์มัตตต่อไปเป็นโพธิปปัจจัยงสมบูรณ์ต่อไปโดยการเพ่งรู้ สมาธิที่มีเมตตาเป็นกรรมฐานนี้เวลาเร า, เร า, เราพิ่งไอ้ตัวกรรมฐานที่เราได้ทํามาแล้วเนี่ยถึงเมื่เราจะออกจากสมาธิคุณสมบัติที่เราได้ดับการทําสมาธิมีเมตตาเป็นอารมณ์เนี่ยมันจะถูกดูดซับเป็นคุณสมบัติของความเป็นผู้ได้รู้ศาสนานะก็คือวันนี้เราหลับตาวาดภาพว่าคนที่แผ่เมตตามากๆเหมือน ถ้าจนถึงข่านได้ฌานไดยิงกัดแล้วก็ามาทํำวิปัสสนาอย่างสมัยพุทธเจ้าไงนะมาทํำวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นคนที่มีบุคลิกเดิมที่มีจุดเด่นในทางวังคุ้มในทางสเสน่ห์ทางวังคมแล้วก็ามาได้คุณสมบัติทางวิปัสสนาพอบรรลุภพเนี่ยจะเป็นอริยะที่มีลักษณะทางเมตตามีพลังทางเมตตาอย่างที่ผมผม เคยถึงมาแล้วนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็มานึกว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีบุคลิกนี้ไหมมีมีเมตตามีกรุณาที่คุณนะมีเมตตาหรือว่าพร ะ, ะสุภูติก็มีบุคลิกทางเมตตานะเพราะว่าท่านท่านทำเมตตามีลักษณะของความคิดเกื้อกูลในดังนี้อย่างมากแลัต้าองค์ุริมานะ ต็มีบุคลิกทั้เมตตาเห็นไหมเมื่อหลังจะบรรลุแล้วนะ่ะแต่ตอนก่อนบรรลุมันก็เป็นเรื่องหนึ่งก็จะแตกต่างกันไปอย่างนี้ก็จะทําให้เป็นพระที่น่าเคารพนับถือมากยิ่งขึง้นไม่เป็นพระหลุดไม่เป็นพระหนีสังคมไม่เป็นพระที่ไม่รับแขกแม้โดยการอันหุม ข, ขวด ก็ผมกว่าไว้ตรวนี้แต่ว่าไว้ตรงนี้ก่อนนะว่าที่ท่านกล่าวว่าแผ่เมตตาเกลือโดมุดแล้วเนี่ยมีอะไรเป็นกิคติมีอะไรเป็นที่ไปเสร็จแล้วก็มาตอบในตอนหลังว่าที่คือเจริญเมตตากรุณาพุิธ ต, ตาอุเบกขาที่จเจริญแล้วจเจริญ สตรีสามโพชฌงค์ในหมายถึงเอาเป็นบัาท น, นะนี่เอาเป็นบัตรทําเป็นบัตรคุณสมบัติทางสายวิปัสนาซึ่งเป็นของในเฉพาะในพุทธศาสน า, า, าก็เกิดขึ้นทีนี้มันมีด้วยความที่ผมน่าจะพูดตรงนี้ด้วยแต่เมื่ออยู่กระปุกแต่ก็น่าจะพูดซะเลยว่า <c oughs> เวลาเอา <c oughs> เมตตาทานเป็นบาทเนี่ยพิจารณาทานว่าอย่าง อะไรตรงนี้เป็นคำตอบที่เราจะตอบมันได้เพราะว่าเราฟังธรรมะมาเยอะว่าคนที่ทำฌานและต่อวิปัสสนาเนี่ยต้องพิ้งฌานด้วยความรู้สึกว่าอย่างไรพิ้งฌานให้เห็นเป็นอย่างไงให้เห็นว่าเป็นตัวตนเป็นของน่ารักน่าใครเป็นสาระน่ที่พึ่งรืเปล่าหรือพิจารณาว่าไงพิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นของไม่เที่ยงถ้าตรงนี้เนี่ยท่านให้เข้าใจวอย่างหนึ่งว่า คุณสมบัติทางคำที่บุคคลได้เนี่ยพอได้แล้วถ้ายังเป็นโลกิยาอยู่นะมันยังมีความติดเรามีเมตตาเราก็รู้สึกว่าเราชอบเราภูมิใจเราภูมิใจทั้งในตัวเมตตาที่ภูมิใจตัวเมตตาเมตตาทําให้เกิดความสุขเมตตาทําให้เกิดอนุภาพขึ้นเงี้ยนะแล้วก็เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจทีจนี้พอจะมาต่อวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาเขาให้กําหนด เมตตานั้นฌานนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่น่าพึงใจด้วยตัณหาระดับนั้นเราก็จะต้องต่อสู้กับความผูกพันเดิมของเราที่เรามีต่อเมตตาในตรงนีเราก็อาจจะกลัวเสียเมตตาว่าอะไรของคบค้ากันมาตั้งนานรักใครที่ชงกันมาตั้งนานได้ใช้ประโยชน์มาตั้งนานและจะมาเข้า เี่ยไ้เข้าอย่างอื่นก็เข้าเพื่อความสุขเข้าเพื่อพลังเมตตาอย่างอื่นทีนี่มาเข้าเพื่อที่จ ะ, จะเจริญพิพัฒนาธรรมฐานได้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมันก็สวนความรู้สึกแต่ตรงนี้นี่แหละครัที่ผมกล่าวในตอนต้นว่ากลับเป็นเครื่องชาระเมตตาให้บริสุทธิ์นะเป็นเครื่องชําระเมตตาให้บริสุทธ์ยิ่งขึ้นและเมตตาน่าจะมีอนุภาพมากยิ่งขึ้นอธิบายว่ายังไง อธิบายว่าคนที่ยังทํำอะไรแล้วยังมีความติกยึดแม่ว่าจะเป็นความคิดการละเอียดเนี่ยนะฮะจะยึดในส่วนผลก็ดีมันยังมีไอความไม่บริสุทธิป์ปนเปื้อนอยู่แล้วก็มีเชื่อทุกคนปนอยู่เช่นว่าเราแผ่เมตตาแล้วก็ พระพุทธเจ้ากรงยืนยันว่ามีผลอย่างนี้เอ๊ะจะทําไมแปรแปรไปแล้วเนี่ยเอ็นดูเขาเอ็เราขาทุกสีขาดพิธีละเส้นสองเส้นจําไหมละ่ะทุ่านแทบจะรู้สึกเีงไม่ค่ยดีนั่แหละเพราะเป็นในแง่ๆๆเดียวว่าอการที่เราจะทําอะไรได้แค่ไหนมันอยู่ที่พลังที่เราทําอยู่ที่เปัจจัยที่เป็นเป็นพลังปัญหาอ่า อ, อย่างนี้ความรุ่งก็เกิดขึ้น หรือว่ามีความคิดที่มีความมุ่งหวังที่มีกิเลสเกี่ยวผลแค่ไหนแค่ไหนเนี่ยครับมันจะเป็นตัวสกัดจะเป็นตัวสะกดอย่างเห็นเห็นเลยแต่ว่าใครเคยได้มีประสบการณ์ได้ทำท ำ, ทำมาคนๆหนึ่งเนี่ยแล้วก็ความวาพอใจในในตัวเมตตาฐานเองว่าเมตตานั้นเป็นของดีที่เราไปพอใจเรื่องหน้าตัญหานะผมต้องย้าอย่างนี้ เริ่มหน้าตัญหาโดยความบ้าปูมโดยความรู้สึกเห็นเป็นสาระเป็นจาระเป็นที่พึ่งอย่างไรเนี่ยก็หมายความว่าเราก็อาจจะมีความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นได้ความทุกข์ก็คืนว่าถ้าเมตตาเราถดถอยก็ดีสมาธิเราทดถอยก็ดีความทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้าเรามองเห็นเป็นของไม่เที่ยงเลเนี่ยความยึดติดแม้ในคุณสมบัติที่เราได้ก็ไม่มีทีนี้ที่พูดถึงตรงนี้ อความรู้สึกอย่ยงเราเราหรืออย่างชาวาาบ้านเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนจะทําให้เราสูญเสียมันเป็นความสูญเสียว่าทาอะไรแล้วมันยึดติดก้าคือไม่ติดมันก็จะต้องสุญเสียนะไม่ว่าจะคุณบำมัดข้างในหรืออะไรก็แล้วแต่หรือของข้างนอกก็ตามแต่ว่าอธิบายทางธรรมะเนี่ยการที่เรามองเห็นความไม่เที่ยแล้วก็ปลดปล่อยด้วยกุฏโซนละจิตเนะปลดปล่อยจะไม่ใช่ปล่อยปลาน่าลเลยอย่างที่ผมเคยพูดคานี้มา กลับเป็นการรักษาไว้ได้อย่างดีที่สุดจะรักษาไว้ได้ต้องปล่อยไอ้ที่ปล่อยเนี่ยหมายว่าเรากันไม่ความรู้สึกยึไม่ให้มันเข้ามายุ่งให้กุศลเข้าบริหารอย่างเป็นไปตามกระแสะเหตุผลครับดังนั้นเมตตาของพระอ า, หารหัรจรงบริสุทธิ์เมตตาของผู้เจริญวิปัฒนาจึงบริสุทธิ์ เมตตาของผู้ที่มิได้เจริญวิปัสนากรรมฐานก็เท่ากับว่าเราพ้นเงื่อนไขเหมือนว่าเราเราจะมีเมตตากับใครเนี่ยเราไม่ได้ยึดติดอะไรเลยทุกอย่างเมตตาของเราก็ไม่เที่ยงคนที่เราแผ่เมตตาให้ก็ไม่เที่ยงผลที่จะเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเราแผ่เมตตาเราแผ่เมตตาไปตรงนี้เข้ามา เราจะหมวดมีตัวอย่างเลยใช่ไหมเขาอาจอมันก็มีความไม่เที่ยงว่าสิ่งที่ได้มา ก, ก็ไม่เที่ยงมันหมุนวนเกินไปเกยนมาทุกอย่างไม่เป็นขอ ง, อ ย, งอยั่งยืนมันก็ปล่อยไอะปล่อยอย่างนี้กลับทําให้เมตานั้นมีกําลังมากขึ้นก็ไอ้ตรงนี้ถ้าเราจสรุป ง, ง่ายๆก็อย่างเราบอกว่าคนที่มีความปรารถนาดีมีความรักผู้อื่นอย่างชนีดที่ไม่คิดจยากเขาอะไรนะหรือเลื่อน ผลมุ่งให้มันประนีกยิ่งขึ้นเหนือไอ้อข้อขัอขอขอขอข้ข้องต่างๆก็จะกลับว่าเมตตาคนนั้นหรือพลังมากขึ้นคนนั้นก็มีความสุขกับการแผ่เมตตามากขึ้นถ้าเราแผ่เมตตามาให้เมื่อเราเราไปอยู่ในในห้องกรรมฐ า, านสามีเราติดเหลาเราก็แผ่เมตตาสามีเลิกเหลานะ หรือว่าแผ่เมตตามาให้การคุ้มครองใครสักคนหนึ่งและถ้าเราไม่ปล่อยวางเนี่ยนะมันก็จะเกิไดไอแรงกดดันในใจขึ้นมาอันนี้ความแล้วก็ถ้าแผ่ขึ้นมาแล้วมันไม่เป็นไปได้อย่างใจเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความทุกข์แน่นอนเลยแต่ท่านลองปล่อยแล้วเนี่ยมันมันก็เป็นอิสระคือเรารู้สึกว่าไม่ไม่เสียความรู้สึกในขั้นเหตุแลว้วก็ไม่มาเป็นทุกข์ฝ่ายหลัง พระพุเทเจ้าเองก็ก็แผ่เมตตาผู้ที่ฝึสมาธิก็แผ่เมตตาก็มันก็ไม่ได้ไปทําให้ทุกคนเนี่ยพ้นจากปัญหาทุกอย่างได้และไม่ได้ทําให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากปัญหาทุกอย่างได้เพราะว่าไอเ้เหตุปัจจัยของปัญหามันมีอยู่บางอย่างก็มีระยะมีอะไรของมันนะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าการกดปล่อยนั้นทําให้เราทําอะไรได้สะดวกกว่าสะดวกยิ่กว่า อาจารย์อธิบายเรื่องการแผ่เมตตาเพื่อเพื่อทำสมาธิไม่ใชาว่าใช้อะไรเป็นองค์บริกรรมครับแผ่เมตตาเพื่อทําสมาธใมิใช้อะไรเป็นองค์บริกรรมอ๋ อ, อก็ยังยิสุติมักว่าแหละนะว่าตั้งแต่เบื้องตน้นก็มีการบริกรรมจะพูดถึงยังไม่คู่ก็แล้วแต่ว่าอย่างที่เราพูดเราสัตวาเอาเวลานี่ยนะ ทีนี้เวลาฝึกสค่ว่าทางดานขั้นต้นเนี่ยสัพเพสัตตาเวลาปยาปัจจานีิค่ะความรู้สึกมันไม่ออกใช่ไหมมันต้องพูดซ้ําๆพูดซ้ําแล้วประสานโยบายในใจไวว่าสัพเพสัตตาขอให้เป็นสุขความรู้คำพูดซ้ําเดิมแต่ว่าความรู้สึกขยายตัวนะแล้วก็ค่อยๆพลิกคาพูดไปว่าอ่าสัพเพปานาหรือผู้หญิงทั้งหลายผู้ชายทั้งหลายก็ก็เคลื่อนไป จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องนึกถึงคำพูดตรงตรงความคิดไปที่ไหนเนี่ยเมตตาเกิดและกระทั่งนคนที่เป็นอัตโนมัติพวกไดาจานเนี่ยนะเดินไปที่ไหนลึกถึงใครเมตตาเกิดเลยเหมือนเขาเรียกว่าเป็นปฏิภาคช น, นิดเมตตาเป็นปฏิภาคเลยเหมือนกับคนที่ที่าอสุภะเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็นหลับตาลืมตาเห็นศพทุกอย่างประกอบหมดฝังหัวเลย จักที่ตอนแรกเราต้องพยายามไอ้จับใจจับตานนแต่เมื่อแค่เป็นการสั่งเข้าไปยอมจิตให้มันอะไรนะยอมสุตให้มันกลายเป็นเออจิตนั้นมีจิตตนนี่อยู่ใ ช, ใช่ไหมฮะถู ก, กแ่ยเระนั้นไอ้คําพูดที่เข้าไปกระตุน้นหรือความคิดบ่อยๆเนี่ยเพราะ่าจิตเราเนมันพูดทีเดียวไม่ไปรู้เรื่องแต่ว่าถ้าคนไหนที่เขามีการสั่งสมมาเนี่ยพูดทีเดียวก็รู้เรื่องหรือแม้ไม่พูดก็รู้เรื่องเลย คือมีมีแ ม, ม, ม, ม่ตาติดเป็นบุคลิกมาตั้งแต่เกิดนะก็อย่างเมื่อเมื่อวานก็มีคนมาปรึกษาและลูกสาวอมีลูกสาวมาหาคนก็การจริงก็กจบปริญญาโททีเนี้ให้เป็นอยากให้เป็นอาจารย์ก็ไม่ยอมเป็นอยุยีย่สิบเก้าก็แม่เขาก็มาคุยเรื่องลูกเขามานั้งมีนลูกอีปีแล้วนะตั้งแต่เราจะบอกดีไหมว่าเราไปขอเขามาเรียง แก ก, กูก็จะกระเพื่อนใจแกก็ไปได้มาจะโรงพยาบาลนะนะไอเด็กมานอนเป็นแถวไงแกไปถึงอธิษฐานมา่าแกก็ทําบุญมาเยอะเพราะถเด็กคนไหนที่เคยเกลือกกูกันมาก็ให้มันเลืมลือมตามหม อ, องลืมตาแล้วพอก็พอเด็กคนเนี้ยฮ อ, อลืมตาแล้วหมองแกก็ที่เขาเอาเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงเป็นลูกลูกคนผีดหิวข้าวแกก็เป็นคนในรั้วในวังเกา่า ไทยแท้ๆก็เลี้ยงมาบางคนเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายกว่าเด็กทุกคนที่เคย เ, คยเลี้ยงมาก็ทั่งโตในการบวกณะว่าก็ทําเองแต่ว่าที่สําคัญคือว่าเป็นคนมีเมตตาธรรมสูงมากสูงจนเขาเข้าลาําหานหมายถึงเข้าหมายถึงแม่เนี่ยบางทีขับรถไปเจอหมามันโดนรถชนข้านฟุตบาทเนี่ยแต่ต้องลบเรา้าไม่จอดจอดเลือดสา ไปแทะอ่ะแทะมาใสา่ได้รถไปเสียเงินเสียทองค่ารักษา ม, มาเนี่ยคือมีเมตตาทําสูตแล้วไปคิดด้วแกก็ก็ดีอ่ะนี่ก็ให้ดีมาคุยกันเลยก็ยมีผู้ชายเข้ามาละนะไอ้แก่ก็เป็นห่วง เ, เ, เรื่องของอ้ยจะยกให้เท้าดีไม่ดีก็เต้ยมานานนะพ่อแม่ท่านนู้นก็ชอบก็คือก็ไม่รู้ไม่เคยไปดูพ่อครัวบ้านผู้ชายเข า, าเป็นยังไงเนี่ย เขาจะทํำยังไงดีแล้วก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรก่อนแนะนำำาําธรรมะธรรมะอะไรไปแต่ก็มองดูว่าถ้าอย่างนี้เขาไม่เป็นไรหรอกชีวิตนะคือเมตตาเขาเนี่ยอบรมสังปลมมาคุมดีไอ้จิตใจเขาฝักไปในทางบุญนาก่อลเนี่ยใครทำมันตรายก็ไม่ได้แต่ว่าเขาควรจะเป็นคนเพิ่มลักษณะข้อมูลหน่อยคือเมตตามีลักษณะควบคุมแค่ น, นี้ให้เยอะนิดนะึง ผมไม่จำหน้าก็ไม่ได้เจอนานแล้วก็ถ้าเพิ่มตรงนี้ก็จะดีคนมีเมตตาอย่างปัญญาเนี่ยนะเมตตาจะมีพลังเมตตามีคุณลักษณะอื่นเติมมากเท่าไหร่มีพลังแต่เนะีอย่างที่เราเน้นกันมาว่าเมตตาแล้วมีสมาธิเป็นคุณลับัดเนี่ยมันก็เพิ่มในแง่พลังพลังที่จะออกไปทํำปีกิยาเนี่ยนะถ้าเมตตามีปัญญาเนี่ยก็มันจะมีลักษณะทางจัดการสูงนะซึ่งว่าคนทั่วไป ถ้าเรามีเมตตาแนละ้วมีแววลึกซึ้งเนี่ยเขาไม่กลา้เาเลียปากเขาหรอกกลัวเรากลัวเราเรียตอบ <c oughs> แต่ว่าถ้าเมตตาแล้วเนามองแววแล้วมงงมดตือนๆแล้ว น, น ะ, ะโดนเลียปากแน่นี่คือลักษณะต่างกั น, นแล้วเราก็เห็นเห็นหลายๆท่านเน่ยเออดูเออเมตตาบางคนไ ม, ไม่ไม่มีใครกล้าหลอกไม่มีใครกล้าตุกติกไม่มีใครกล้าเดี้ยว ปาก็เหมือนกันปลาแล้วก็เห็นะที่ที่ท่านลึกๆเนี่ย น, นะ <Okay. S 1> เมตตาท่านทำให้คนทราบซึ้ได้มาเมตตาไม่ไม่ละเอียดมันทีก็กลายเป็นธรรมคุณคนไม่ขึ้นมนกันมันมีช่องโหว่ของความชั่วเข้ามาในความรู้สึกของคน <Okay. S 1> ก็คือว่าพอมาถึงวิปัสสนาเนี่ยคนนั้นจะปล่อยวางเรื่องเมตตาคนเรานี่ยมายึดอะไรมันมีความทุกขนะูกไ เราทุบเพราะลูกแบือาะอะไรนะเกลียดลูกเลยไม่ใช่เพราะลักลูกใช่ไหมลนะ่ะกุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้ดนั้นถ้าจะทำให้เราทุกน้อยลงจะมีพลังมากขึ้นก็คือมีเมตตาแต่ว่าไม่ยึดถือถึงจะเป็นปลูกเป็นเต้าเป็นอะไรเนี่ยเรามองแล้วทุกอย่างมันเป็นเรื่องของ ของกรรมอะไรที่มันอาจจะเป็นไปได้แต่เราก็ไม่อาจจะรับรองกับตัวเราเองไปเคี้ยวไม่มีเงื่อนไขหรือรับรองกับคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข น, นี่เพีจากาจับมันใจนะคะว่าของเราเนี่ยนะคะที่ต่างจากเอเดรทียังไงอะ่ะที่ว่าน่หามเมตตาอ๋อต่างตรงไหนตรงไานเพแยงกับพยายามตามเพื่อนใจ คือถ้าเป็นเมตตาในสายนอกศาสนาในเขาแผ่มาเด้เมตตากายกรรมมรจีกร ร, ระดับสังคมนะนิสัยใจ ค, คอที่ติดมาเนี่ยจนกระทั่งเขามาฝึกสมาธิฝึกสมาธิจนแต่เมตตาได้ฌานาะการแต่เมตตาฌานพรหมอวิหาร